ยังมีอะไรจะพูดหรือสั่งมาทากันไปจะปฏิบัติตัวเองทํามันอยู่กับเราเนี่ยนะอยเป็นมองอยู่ที่ไหนในยอยู่ตลรอคนที่เกียดจะยึดไม่ใจเราเนี่ยความโกรธก็จะไม่เข้าใจเราเนี่ยความง่ายจะยึดเข้าใจเราจะแก้จะแก้หัวใจเราใจเป็นใหญ่เออถ้าเกลียดเป็นใหญ่ก็ทําลายแต่เกลียดก็เข้าใจกันเดียวกันเนี่ย ท้ามีทำแทะเข้าไปไฟกิเลสจะลดลงเนี่ยตัว่านทำแทะเข้าไปตรงไหนตรงไหนแต่ความร่มเย็นเกิดที่สุดนั้นสุดนั้นสุดนั้นท่านจึงบอกไฟกิเลสล้นล้นล้นล้นเนี่ยมันมีแต่ไฟล้วนล้น้นล้นถ้าเป็นแดดจะร้อนทั้งวันทั้งวันเมื่อมีฝ้าฝนสนิทราเลยในละกิเลสเป็นอย่างนั้นหละล้วนล้วนล้นเลยนู่นใจใครเป็นอย่างนี้ว่าพยายามปรับปรุงพยายามแก้ไขตัวเองต่างคนต่างแก้ไขตัวเองโลกนี้เบาคนเลย ต่างคนต่างนั้นมาแก้ไขคนที่เกลียดมั่ง่ายกย่นั้นเองพยายามแก้ทุกคนทุกคนไม่ต้องว่าคนนู้นไม่ต้องไปว่าคนนี้ไม่ต้องไปเป็นโดมมาลูกว่าหลานลูกหลานเกิดขึ้นมาเป็นแบบฉบับของพ่อของแม่พ่อแม่จะแก้คนที่เกลียดมั่ง่ายล้กยึุณมาพยายามแก้คนที่เกลียดมั่ง่ายจากนั้นแล้วเมื่อต่างคนต่างแก้ความที่เกลียดมั่ง่ายการเข้าโรงเริ่มโรงเรียนกลมขยันหมั่นเพียรมันก็เกิดขึ้นที่จุดนั้นนั่นแหละทำดู แต่ทำเข้าสุดนั้นตอนนี้เงินเงินไปนหมดเลยเบาเป็นหมดเลยพอเอากรรคนที่เกียดมาง่ายเข้าไปเอาอยู่ในลูกก็หนนะักอยู่ในพ่อก็หนนะักอยู่ในพ่อในแม่ก็หนนะักหนักหมดทางวัดอื้อไปหมดเลยกุ้งคือท้ายไม่มีอะไรเจริญขึ้นเพราะอำนา จ, จอย่างนี้ทําหลาักเนี่ยแล้วจะไม่พันานาคุณพุทธจเจ้าอะไอย่างงี้ยเออท่านรู้ดีรู้ชัว่วจริงๆรู้จริจงๆอยู่นี่ดีไหมที่เกลียดที่เกลียด ร, รู้จริงจริง ไม่ดีบอกเลยไอ้พวกเรามันรู้ทุกวันทุกวันเนีลยมันไม่ใช่รู้นะจําให้มันคิดขึ้นมาชั่วขณะชั่วขณะไม่ใช่รู้นะรู้จริงๆเห็นโทษจริงอันนี้วรู้นั่นนี่จะพูดวันนี้ท่านสวดมหาสมัยอ่ะโอ้โหนะพระพุทธเจ้าอยู่ในป่ามหาวันบรรดาภิกษุจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นพระาหารล้วนๆล้วนๆอีกนั้นท่านบอกพระทุศูว่าให้เจริญพระจะาพุญาน พระคุญญาณพวกเราก็ได้ยินในตำมลีคือว่าตาในถ้าพูดฟังกันง่ายกับตาพิษตาพิา์ไม่ได้มีทั่วไปไม่ได้มีบุคคลที่ทั่วไปหรือที่บางบางคนตาพิษไม่เห็นทั้งหมดพ้าพูดที่พระเจ้าทรงบอกบางทีผู้ช่วยทั้งหลายเห็นอมนุษย์อมนุษย์ก็คือนั่นแหละผีนั่นแหละถ้าพูดบวกระบบผีลอยหนึ่งที่เห็นอมนุษย์พันหนึ่ง ที่เห็นมนุษย์มือหนึ่งกว้างไปไม่มีปานก็มีคือตายนั่นแหละการบำเพ็ญมาตักแต่ถ้าพวกเราเห็นนี่ยท่านเรียกให้บรรดาพาระหลานเธอทั้งหลายจึงเจริญพระกุญญาณขึ้นมาเราจะบอกชื่อเทวดาท่านจบอกนั้นคือพรายินนั่นก็บว่าไปาคือนั้นมาจากที่นั่นนั้นเท่าพระคมมาจีกที่นั่นมานั้นคือนั้นคือองค์นั่นที่ท่านท่านสวดไปท่ากล่าวไว้เอง ในพวกเราก็ตามมืดมองไม่เห็นเห็ น, หนแต่ต้นไม้เห็นแต่พวกเรานี่นี่ตามมนุษย์มนุษย์นี่แหละทีจะ่จะเจริญสัตส์ปู่พยานคือคือให้ทํากิจตาพอนะแต่นี้าอยากเวลาจะเดินจะจะพยานจะไปอยากอยาอ ย, ยากไปอยากท่า น, นเห็นเป็นโน้นเป็นนี่จอลงพุโทโธยังไงบุรีกรรมพุโทโธแต่ส่วนมากนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เตลียนท่านมึงจึงไม่อยากให้ทำพูดกิตยังไม่มีหลักเลยท่านให้เอาเร่องนี้ยกไว้ก่อน หากเป็นวาสนาบารมีเหมือนพระละหันที่ท่านมาก็ชุมอยู่ในป่ามหาวันเออเป็นพระละหันแล้วแมันไม่เสียหายในส่วนนี้ในส่วนปุจิช น, นิชอบถะนงตัวถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาทลีขิดมัน่ากระสงแก้ยากเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์รู้เวลาจิตมีแก้ยากท่านก็นไหมทางภาคปฏิบัติท่านไม่หให้เกิดตือนรุนเรืองให้คำนะตัวเฉลี่ยกันไรมีตัวที่เล็กที่ฟังให้เรา ได้รับความทุ่มเดือดร้อนคือความขี้เกียจมาก่ายมีโกษาโมหะนี่นี่ให้ตำมาตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ท่านบอกยืนดูใจใครท่าใจมันองพยายามสีเอาไปพยายามจุ่มหนังกระจอดูใจของใครของมันเถอะว่างนี้เถอดนะหรือคุณแสดงอย่างนี้ก็ต้งจ่อมาดูพอสงควรเรื่องนี้ยังแพ้มาหนึ่งจังหวะเออบางทีมันก็นอนเลยเงียบเลยตรงการพักผ่อน ในขณะที่ายังกำลังชำระไม่เกินกับการพักผ่อนมันเป็นเรื่องของธาตุของฝันแต่นั้นกาหนดว่าถ้า4ชั่วโมงถ้าตุไม่ฝันจิตมันเข้ารวังถ้าจิตของการหลับของจิตเองของบุติลนนี้นะั่นแหละถนอมดับจิตดับสนิทนั่นที่เข้ามีโรดอ่ะที่โรดบุติชนห ล, ลับไม่มีฝันเนี่ยเงียบไปเลยดับเวทนากรมลุกคิกอะไรต่างๆอารมณ์ต่างๆไม่ควรเนี่ยอันนี้เรียกว่าถ้าร่างกายมีกหลัง ถ้าหลักเข้าไปฝันนั่นฝันนี้ฝัน น, ฝนู่นฝันนี่ร่างกายนูน้นจําหวะนันออกรู้สีออกรู้อารมณ์ประจามอารมณ์ต่างตา่างทั้งว่าฝันใช่ฝันอยากา็ไปเที่ยวกับว่ายานเครื่องรู้นะมีเอาเป็นเมาส์กันนะเอาเปอรเ์เซนแอบเอาไปกินว่าตัวเองเป็นคนรู้คนฉลาดแควฝันมาแอบกินมารู้นั่นดูนี่ดนนั่นแหละเอเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาตินะนะมันธรรมชาติที่มันเข้าตัวเอง ชอบอยากให้เขาว่าตัวเองดีอยากให้เขาว่าตัวเองชอบเป็นอย่างนั้นไม่ว่าท่านมาหรอเบื้องต้นก็เป็นมีแั่แต่นานไปน่าไปเมื่อชนะแล้วชนะแล้วพอจิต ม, มันได้รับความสว่างพระจันทแห่งภายในตัวเองแล้วอันนี้ไม่ไดอยากหรอกมันเป็นเร้าอะไรถ้ามันลุ้รอบนะถ้ารู้นไปรอบมันก็มันก็ติดนะป่าท่านจริงบอกว่ามีครูบาอาจารย์เป็นพี่แนะนําสั่งสอนเรื่องจิตกะภาวนาโดยตรง เวลาเนี้ยังมีพ่อแม่ผู้จารย์ยังยังมีนักปราชญ์ยังมีใครจะยินเล่งทอนนาท่านป่าพระภัยที่มาอบรมออกจากโลกมาในตรงก็ให้ยินเล็ก อ, อย่ามานอนเนื้อนอนใจอะไรเห็นไหมแล้วก็ตายไปตายไปมั่นเมืองก็อยู่นี้โลกนี้ลุ่มลุ่นกันจรเราเห็นกันอยู่เอามาสอนตัวเองเือฝ่ายคารวะก็อย่ามาบ่นทุกคนอยากลำดิ์ลำไรลําพันอะไรพยายามทําหน้าที่การงานมีไร่มีนานมีสวนตัยินดีในของตัวเอง พยายามปรับคุงไปทุกวันทุกวันจะไปบ่นบ่นหาอะไรก้าวเข้าไปทําหน้าที่การงานมันขี้เกียจจะบังคับเข้าไปเหมือนทุนเจ้ากรรมบาปเขาคนขี้เกียจมาง่ายทํานี้จึงบอกเรามีแต่ยกพวกเราขึ้นอย่างเดียวไม่มีทําให้มนุษย์เสียไม่มีเลยทั้งบทเดียวเไหนจะเชื่อเขาเนี่บาปไม่มีคุงไม่มีมันตัดหัวมันมีก็ไม่รู้บาปไม่เท่าไรทำนี้มันร้อนหนเองมันก็ไม่รู้เพราะมันมืด เนี่ยถ้าความโรคเกิดขึ้นก็มืดเชียะมองไม่เห็นความโกรธเกิดขึ้นก็มืดเชียะมองไม่เห็นราคะสนหาเกิดขึ้นก็มืดเชียะติดธรรมดทะนุวะอักวิชาอักแปลว่ามืดมองไม่เห็นเลยมันจะมองเห็นอะไรจะราคะเต็มหัวใจอย่างนี้ไม่รู้ไม่มองเห็นใครไม่มองเห็นลูกใครเมียใครถ้ามันมีธรรมเข้าไปตัดอยูไม่มองเห็นีม่เห็นไม่จักกันไปเลยเออเขามพูดให้ฟังหรอกเราก็ไม่เห็นนะพูดอย่างนี้พวกเราคนวิสัยเองดักไหม ขนาดระลิกนะอันตรายสร้างบาปสั้งกรรมใส่ตัวเองมากมายกลายตัวผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามผู้หญิงนี้ก็รู้ไม่ได้อาไปบอกว่าไม่จะทําก็ตามแต่ธรรมชาตินั้นมันรู้อยู่ในใจตรงนั้นฝังลึกที่เดียวตัวนั้นแหะที่จะโผล่ไปเกิดที่ไหนเจอปัญหาเจอปัญหาก ต, ตัวมันเก็บไว้เก็บไว้เหมือนผลไม้ที่มันสุกแล้วมันเก็บไอ้ความงอกงามของเพชรนี่ดินนั้นอยู่ในตัวเพชรหมดลยก็ถูก อากาศข้อฝนชนนิทรางเหมาะสมพอถูกแดดถูกอะไรมันก็งอกงามหมดส้นมีนั้นกันเน่ะเนี่ยที่เราพวกเราเจออยู่เวลานี้มองไม่เห็นเกิดมาแล้วเ ป, นนเป็นนู้นเป็นนี่ลำบากลำบนทุกข์ยากลำบากเอที่สร้างมานนเนี่ยแต่ว่ากรรมเรามองไละออกท่านจึงให้บําเพ็ญจิตตภาวนาให้พยายามจิตตภาวนาได้พุโทรรโธตัวเดียวก็พอแล้วเลิศเลยหน้าบอกแล้วบอกเราอย่าลืม นอนขึ้นมาให้มันได้พุทโธเท่ายืายุจนสื่นจอยอยู่นิ่งนั่นให้อย่าให้มันกิเลสมันปัด อ, าปากออกไปปัดออกไปปกออกไปอันนี้ทําให้เราทุกข์ยากลําบากมันยากจริงๆนะเอาเรื่องจริงยิ่งใจนี้เอายากจริงๆที่การมาเตียนพวกเรามาในวัดมาวาก้าตอนเช้าตอนอะไรมื่อนนี้มีแต่เรื่องบุญ น, นะช่พยพระเนรท่านไะทำห้องน้ํำห้องช่วงเห็นที่ไหนที่ไหนช่วยชําระตรงนี้มีแต่บุญลว้ลวนๆลว้วนๆ ตัดน้ำตัดธาตุเป็นหน้าที่ของท่านหรอกเราก็ไม่อยากให้มายุ่งเท่าไหร่อย่ามาแย่งธาตุธาตุไปขี้เกียจมันจะไปไม่รอดว่างนี้เดินนี้มาฝึกนะพัด น, ะะนี้แล้ว เ, เข้าวัดอีกฝึกเลยพัดปวดตากก็เราได้ตักน้กํา ก, าก็เราได้หูสลาก็เราได้แต่ส่วนมากหูกพอเป็นพิธีรัวเรียรัวเรียรัวเรียมันเป็นมันเป็นถ้าจิตมันยังไม่กล้าเข้าจับลงไปเรื่องบุญกุศล พอจิตกล้าลงแจกเรื่องบุญจีนี่เจ้าตรงไหนตรงไหนนี่เปเรื่องเอาให้เต็มที่เต็มที่เต็มที่สะอาดดูตรงไหนที่ควรถูหนักดูตรงไหนที่ควรถูเบาถูทีงไหนมีแต่เรื่องเก็บเอาบุญเอาบุญนั่นนั่นนั่ทั้งหมดเลยถ้าจิตกล้าลงอย่างตรงศรัทธาคือคนเชื่อมั่นฝังใจแล้วเอาเลยจิตมันจะกล้าเลยทังหมดเลยทําอะไรอะไรบุญหมดเลยมองที่ไหนทะลุทะลุอันนี้มีแต่อำนาจกิเลสทาไปกับคงขนองทําไปคึกขนองทำไปกับทาไป แล้วทนารน่ะทําไมจริงไม่เป็นสมาธิเป็นหาอะไรอยู่วะจิตมันลอยลมอยู่นู่นมันไม่เจอะเข้ามามันจะเป็นได้อย่างไรสงบสงบอะไรแค่อยู่กับพุทโธมันก็ไม่เป็นจัว่าเป็นหาอะไรอยู่วะไม่ว่าท่านมาเราแหละถ้าอันนี้มันมากขึ้นไปคนที่ท่าจะทำลายตัวเองขาดวันไก่ขึ้นเี้ยววันเึื่อนไปเปล่าๆวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปสวดก็มีอยู่แว่นหนึ่งร่วงไปร่วงไปแบบนี้เราทําอะไรอยู่น่ะก็จําได้แต่เวลา พอจำผ่านไปปุ๊บไอ้อตัวนั่นมันไม่เป็นตัวที่เด็มันลบทิ้งปุ๊บเป็นทจริงมันไม่เอาล่ะมันคือ้งแต่ที่อีกทิศเรื่องเราว่าเวลานี้เราทําอะไรทําดีหีือําชั่วจิตที่นี่คิดในเรื่องไหนมันไม่เอาล่ะดังนั้นลบไปเลยไปเลยเออเหม็นไอ้อที่ภาษาอีสานขนาดจิตบวมมี่ีแขนเนี่ยจิ้มบวมมี่หีอยยินบนเส ม, มอว่าจิตไปเลยลอยลงไปเลยหนั ละ ว, วันหนึ่งได้พืชโอทีคนไม่ว่าท่านมาเล่ามันไม่ได้อะไรเลยยิ่งจะมาถาบ่นว่าตัวเองไม่เป็นธมาจิตมันจะได้อะไรมันจะเป็นอะไรจิตไม่สงบจากอารมณ์มันจะไปเห็นอะไรตาอะไรยังไม่เกิดมันก็ถอนทิฏฐิมันนับไม่ได้นั่นแหละที่อย่างนันกองอีู่ที่นี่ยึดกูเป็นของกูความรู้ก็เป็นของกูกายก็เป็นของกูกินกับ ก, ก, ก, ก, กูกินกูไม่ได้กินกับของกู กูเหีกูกูหมดกูกับเขาตัวเองอีกกูรอดกูทุกูสอบกูเล่าเล่าให้ที่พีที่ลายลําพันนั่นเม็ดอะไรนั่นนั่นหละสายทางของสมุนไพแดนงทุกเกิดทําไม่ได้มีไม่ได้สร้างขึ้นมีทุกเกิดคือว่ามัดคือทำเครื่องดําเนินแน่ทะยันมันเทียนแน่จดจ่อในื้อที่กันงานแน่ทําให้จริงให้จังแน่เป็นคนกินวันจอนยาละละแหล่แหล่แน่ ตันนี้ที่ลูกฟื้นลูกฟื้นหมดจะวางไงนั่นแหละมันนี้พูแค่นี้ฟังเอว่างพ่อตายเลิกกันเันะเืะ่อเนี่ยจันทร์ลองสมาธิตายไปเลยต้องมิตแมนจีจัหาอะไรเราเห็นอยู่หนแล้วมองอี่ ใจร่อยแล้วมันพุ่งมีอย่างว่ามีมูลบวกเป็นมาโตใช mm. นะ่จะเกิดมีร า, ยาอยากได้อยากให้มันเป็นคือทําไม่สมความอยากความอยากเป็นมั่งแต่เวลาทำไม่เป็นมั่งเ mm. มืะะ่อใดนั้นเราสร้างให้ mm. พอหลวงพ่อไปเอ้ยมองอยู่นี่ขึ้นหมากนะ ไม่ใช่เดยนนะเจ้กากร่างกับแพ้งยังเหมือนุ่น ม, ม, มาบนถึงรูกฟอลอะไรแนี้แต่แขนหนาจะกลับะรแบบน